39. หน้าที่ของมนุษย์เป้าหมายในชีวิตของเราคือการพัฒนาตนเองพัฒนาไปสู่ความสุขที่แท้จริงมนุษย์ทุกคนใฝ่หาความสุขฉะนั้นเราดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างไปเรียนหนังสือไปทำงานไปมีลูกมีเมียก็หวังว่าจะมีความสุขทั้งสิ้นเลยการศึกษาธรรมะจะทำให้เราพบความสุขที่แปลกประหลาดอีกชนิดหนึ่งความสุขที่ไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นและคนอื่น เพราะฉะนั้นความจริงมนุษย์เราเกิดมาเพื่อทําหน้าที่ของตัวเองคือพาตัวเองให้พ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือให้เราคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆพระพุทธเจ้าค้นพบเส้นทางนี้คนทั้งหลายอยากมีความสุขคนทั้งหลายเกลียดความทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เกลียดความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์สิ่งที่ทุกข์คือกายกับใจนี่เองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้กายรู้ใจอยู่เรื่อยๆ พอรู้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจพอจิตไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจคือจิตไม่ไปหยิบฉวยเอาความทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วมันจะมีความสุขมหาศาลเลยความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นและสิ่งอื่นๆเลยมนุษย์จะเข้าถึงอิสรภาพที่แท้จริงทุกวันนี้เราไม่มีอิสรภาพพวกเรามีแต่พันธนาการเช่นเราไปรักผู้หญิงสักคนก็ต้องคอยเอาใจเขาเราเสียอิสรภาพผู้หญิงก็เหมือนกัน ไปแต่งงานก็เสียอิสรภาพฉะนั้นไม่ว่าเราไปรักอะไรเราก็เสียอิสรภาพให้สิ่งนั้นเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆาศาสนาพุทธสอนให้เราเรียนรู้ถึงวันหนึ่งเราปลดปล่อยตัวเองได้เราจะมีอิสระอย่างแท้จริงขึ้นมาแล้วเราก็มีความสุขอย่างแท้จริงที่ไม่อิงอาศัยใครนี่หน้าที่ของมนุษย์นะถ้าหน้าที่ของสัตว์เดรัจฉานก็กินกินนอนๆแล้วก็สืบพันธุ์ไปอย่าให้สูญพันธุ์ก็ใช้ได้แล้ว แต่หน้าที่ของมนุษย์ก็คือพัฒนาใจของตัวเองให้สูงสมกับชื่อของมนุษย์เรารู้ว่าชีวิตของเรามีเป้าหมายชีวิตของเราไม่ได้เกิดมาเลื่อนลอยกินอยู่สืบพันแล้วก็ตายไปชีวิตเรามีเป้าหมายคือเราต้องพัฒนาตัวเองจนวันหนึ่งเราต้องพ้นทุกข์ให้ได้เราต้องเป็นอิสระให้ได้พวกเรากำลังตกเป็นทาสอยู่วันหนึ่งเราต้องเป็นอิสระให้ได้พวกเราทุกคนมีความทุกข์อยู่ วันหนึ่งต้องพ้นทุกข์ให้ได้ต้องมีความสุขให้ได้หมายความว่าความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์